นำพาด้วยคุณธรรมน้อมนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันถาสถาบันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับรายการ ท่านโลกท่านเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับในในช่วงนี้เนี่นะครับมีการจัดการชุมนุมกันอยู่หลายส่วนนะครับโดยเฉพาะของนักศึกษาเนี่ยนายกรมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเปิดเผยหลังจากการประชุมคลมเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมา นะครับก็บอกว่าในส่วนของคณะรัฐมนตรีรัฐาบาลก็มีแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงาการเผชิญหน้านะนำไปสูก่กรรดุนแรงก็จะป้องกันมือที่สามนะครับแล้วก็บอกว่าพยายามที่จ ะ, ะในส่วนให้มีการเจรจามีการพูดคุยกันนะครับนะเพื่อที่จะทั้งแกนนำทั้งหลายๆส่วนนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับเนะพื่อที่จะ นำไปสู่ทางออกที่เป็นเป็นสันตินะครับส่วนเอกสารที่ออกมานะครับมาเผยแพร่าตามโซเชียลและต่างๆว่ามีการเตรียมกองกําลังไว้ป้องปลามันที่19เกนี่ยก็ปฏิเสธว่าเป็นเอกสารปลอมเป็นเป็นเฟซนิวของอก็ปฏิเสธแล้วนะนายกงตรีก็ บ, บอกว่าก็นะอย่าให้แต่ละคนนี้ไปเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับส่วนรองนายกงตรีเนี่ยบนเอกประวิทธ วงสุวรรณนะครับก็เปิดเผยนะครับในก่อนประชุมครมเนี่ยก็บอกว่าการใช้พื้นที่สนามหลวงนะทะี่มีผู้เสนอแนวคิดว่านะ่าจะมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมได้ใช้พื้นที่สนามหลวงก็บอกว่าทุกอย่างก็ทําตามกฎหมายเพราะมีกรอบกฎหมายก็อาจจะต้องขออนุญาตเจ้าหนะ้าที่ที่เกี่ยวข้องแหะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของตน ดูแลความมั่นคงก็จะดูแลอรอบๆทำเนียบนะให้ให้ข้าไม่ให้ผู้ชมุมนุมเนเข้ามาใกล้ทำเนียบรัฐบาลนะ mm. ก็ว่าจากงานในส่วนของพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณนะครับนะ mm. ก็มีการเสนอเหมือนกันว่าจะให้มาใช้พื้นที่ของของสนามหลวงแต่ว่าก็อย่างอย่างอย่างที่บอกก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าสนามหลวงก็เป็นพื้นที่ที่เป็น พื้นที่ของโบราณสถานบ้างอะไรต่างๆบ้างมีการอ้างกฎหมายกันนะครับคงจะต้องดูนะต้องขออนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วครับนะว่าเป็นอย่างไรซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าจากสื่อมวลชนสอบถามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าจะน่าจะมีมวลชนเข้ามาร่วมประมาณ 4-5 หหมื่นคนนะครับก็ว่าอย่างนั้นก็คงจะต้องมีการจัด เจะนัาที่ขึ้นมานะลองรับอะไรต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรหรือเปล่านะครับส่วนที่ที่ทางสภานะครับในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะให้สัมภาษณ์วันที่16กันยายนกล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลนิติตวัรณสสบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐคัดค้านสี 4. ยติของฝ่ายค้าน จะเสนอสารนิตย์ความนี่ก็บอกว่าในชวนก็บอกว่าเป็นเป็นคนละเรื่องนะการเสนอชื่อก็ไม่ได้ซ้ํ า, ากันเพราะฉะนั้นนี่ก็สามารถที่จะดําเนินการไปได้ตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับก็คือประธานสภ า, านี่ก็ยืนยันว่า4ี่ยติของฝ่ายค้านในการแก้รัฐมนูลนี่ทาได้นะครับในชวนหลีกภัยก็กล่าวอย่างนั้นและนอกจากนี้วันที่16กันยายนนี่ตัวแทนของภาคประชาชน นำโดยนายจรออึงภากรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เนต็ตเพื่อกฎหมายประชาชนรือเครือข่ายภาคประชาชนก็นำเสนอร่างรัฐมนูลนะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับประชาชนก็ยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภ า, าบอกว่าจะรวบรวมรายชื่อประชาชนได้ประมาณ 70,276 กรายชื่อนะครับก็จะ เอามายื่นนะให้ทางสภาตรวจสอบในวันที่22กันยายนนะครับซึ่งก็มีนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลซึ่งเป็นเลขานุการของประธานสภาก็เป็นผู้ตรวจแทนรับหนังสือนะครับก็บอกว่าก็มีการรวบรวม ร, วมรวมายชื่อนะแล้วก็พยายามที่จะให้รัฐมนูญนีเป็นประชาธิปไตยก็คงจะเสนอควบคู่กับล่างของฝ่ายค้านนะครับ ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เข้าไปอาจจะต้องมีการตั้งกรรมิการร่วมกันไปพิจารณาในใ น, ในสภานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นความเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันในทางสภานี่มีการพิจารณางบประมาณปี2564วาระที่2ที่3เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมา16 17นะ18ละต่างๆเหล่านี้นะครับมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการถ่ายทอดนะครับทางทางวิทยุทางโทรทัศน์เราก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับก็วงเงินงบประมาณปี64ี่นี่ก็ประมาณส3จดสามล้านล้านบาทนะมีการพิจารณาวละที่สองที่สมนะครับก็มีสสเนลุกขึ้นมาอภิปรายต่างๆมากมายมีการปรับลดนะตามสัสดส่วนต่างๆนะครับมีเสนอให้มีการปรับลดกันไปหลายรายการนะครับตอนนี้นี่ก็ วงเงินของงบประมาณนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 3.28 ล้านล้านบาทนะครับที่มีการประชุมสภากันอยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องติดตามดูนะครับว่าในส่วนของงบประมาณนี้ก็พยายามที่จะน่าจะมีการใช้ให้ทันนะครับวันบอกว่ามีการเลื่อนให้มีการนํางบประมาณปี2563มาใช้ในเดือนตุลากรกนะครับนะก็ อาจจะเป็นข้อขัดข้องทางทางการคังก็ต้องติดตามนะแล้วครับนะแล้วก็ในส่วนของเบีย้ยของคนชราคนพิการเนี่ยก็ต้องติดตามนะเห็นบอกว่าจะมีการจ่ายเร่งจ่ายกันอย่างเร่งด่วนนะครับในในเร็ววันก็ต้องติดตามดูมาละฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ อ ย, ย่เปลี่ยนใจนะนงครานอีกไม่นานพี่จะกลับไปสัญญากันด้วยหัวใจพี่ขายแรงเพื่อแต่งงานโตหน่อยน้ำแบตาหวานแรงใจแรงงานคือกำลังใจแรงใจแรงงานคือกำลังใจเกิดมาจนต้องดิน้นรน กลับไปสัญญากันด้วยหัวใจพี่ขายแรงเพื่อแต่งงานโน่นหน่อยน้ำแม่ตาหวานแรงใจแรงงานคือกำลังใจแรงใจแรงงานคือกำลังใจเกิดมาจนต้องดิ้นรนมันถึงจะมี พูดมาคุยกันต่อนะครับนะเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับที่เป็นไปนะครับมาดูในช่วงนี้นะครับในส่วนของคอรมอรรัฐบาลเนี่ยจะมีการผ่อ น, นผันเปิดรับให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีนะกำลังซื้อสูงเนี่ยเข้ามาพำนักระยะยาวในไทยได้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะก็นาะยุงตีก็บอกว่า จะมีการออกบีซา่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มที่มีไรายได้สูงเนี่ยนะครับมาเข้ามาใ น, ในประเทศของไทยเราได้เหมือนกันนะครับในการที่จะมาท่องเที่ยวมาใช้จ่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานี่ก็กระแสเศรษฐกิจเราค่อนข้างที่จะหนักหน่วงล้นะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนี่นก็เป็นเสาหลัก ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะรายได้เข้ากับประเทศนะเพราะนีตรงนี้ในรัฐก็มีแนวคิดอย่างนั้นนะครับซึ่งรองโฆษกประจำสานักนายรุ่งตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลก็บอกว่ารัฐคมอรนุมัติหลักการแล้วนะจะเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษซึ่งก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยเดือนตุลาอันี้ประมาณ 1,200 คนนะก็จะต้องเดินทางมาโดยเครื่องบินเช่าเหมาลํานะครับ ก็มีการตรวจโลกนะกันอย่างเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะโควิด19เนี่แหละครับนะเน้นกลุ่มประเทศที่มีผู้ติดเชื้อนี่ต่ำนะครับนะป้องกันได้ดีอย่างเช่นกลุ่มสแกนดิเนเวียนะครับนะซึ่งก็สามารถที่มาได้มาแล้วก็ต้องมากักตัวอยู่14วันด้วยนะครับนะก่อนที่จะเข้าไปท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆนะก็เป็นแนวคิดนะครับที่จะให้ ต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในฐานะที่นักท่องเที่ยวแบบแบบพิเศษนะครับนะแบบพิเศษว่าจะทำอย่างไรแล้วก็รอว่าจะมีวัคซีนนะครับนะที่จะมาใช้นะครับนะเราก็รออยู่ในอนุทินชาญวิรกุลรองนายกมตรีและรมตรีสาสุขนะก็บอกว่าตอนนี้นี่ก็ในส่วนของเราเนี่ยก็ดีจะร่วมมือกับสหรัฐนะครับนะนก ทำวัคซีนนะจากสหรัฐนะจักด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็ถ้าสหรัฐผลิตวัคซีนได้เราก็จะต้องรับมาใช้เหรอครับนะเพราะในไทยเรานี่ก็พยายามที่จะร่วมมือนะครับนะประสานกับในส่วนของของสหรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการผ่านแดนของชาวพาม่าในแถวชายแดนฝั่งตะวันตกก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพาม่านี่ติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโควิด n i เนี่ยมากเนี่ยก็บอกว่าได้ประสานกับมหาไทยสกัดแรงงานต่างด้าวนะครับตามพรมแดนต่างธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มีอสมอเนี่ยช่วยในการสอดส่องดูแลนะครับโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดนะของผู้ป่วยโควิด19ตามชายแดนไทยพม่าเนี่ยก็จะเข้มงวดนะก็ก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับนายอนุทินชาน วีละกุลก่ลกาวนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอกระทรวงการคลังในยืนยันบอกว่ า, าทังเศรษฐกิจของรัฐบาลกระทรวงการคลังในถังยังไม่แตกนะฮะบอกว่าอย่างงั้นนะครับนายประสงค์คุณธเนศเนี่ยปหลัดคลังเนี่ยเปิดเผยนะครับบอกว่ า, อาตอนนี้ในการเบริกจ่ายที่บอกว่าเบิกจ่ายเบี้ยคนคนแก่คนชราคนพิการเนี่ยก็มี ลาช้าติดต่อกันนี่แต่เป็นเป็นปัญหาเชิงเทคนิคเฉยๆนะแต่ว่าจะต้องโอนอให้ได้อย่างเรียบร้อยในภายในเดือนนี้ก็บอกว่าล่าช้าไปประมาณสัปดาห์เดียวนะครับเนะี่ยเพราะในตรงนี้นี่ก็มีการจัดงบประมาณมาเสริมแล้วนะครับนะแล้วก็คิดว่าจะาสามารถจิบเบิรกใจได้ตามตามปกตินะครับเนะี่ยส่วนตอนนี้ที่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ยอดการจัดเก็บภาษีต่างๆนี่ไม่เป็นไปตามเป้านี้ก็ตรงนี้นี่กระทรวงการคลังนี่ก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ปัญหาไปดูแลนะครับเพื่อที่จะให้รายได้เนี่ยพอกับรายจ่ายแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาล น, นี่มีเงินคงคลังอยู่ไม่ต่ำกว่าสามแสนล้านนะครับสามารถที่จะดูแลการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆก็ยืนยันว่าถังไม่แตกนะครับนั่นก็เป็นเป็นเรื่องที่ กระทรวงการคลันงนี้ยืนยันมาเราก็คงจะต้องต้องดูแลและครับต้องติดตามกันกันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการเปิดเผยของประหลัดกระทรวงการคลันงนะครับนะแต่ก็ต้องต้องรอในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงการคลังถวดจริงเสียงจริงแล้วครับในการที่จะมามายืนยันนะครับดังกล่าวนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกแล้วครับนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับการ เก็บภาษีเนี่ยที่ที่มีข่าวว่าไม่เข้าเป้าเนี่ยอาจจะต้องต้องมีการหากู้ เ, เงินมามามามาเติมให้เต็มแล้วครับนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังซึ่งก็ยังขาดขาดหัวแล้วก็คือขาดรัฐมนตรีอยู่ล้วก็คงจะต้องต้องดูนะตรงนี้นะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันนะหลายฝ่ายก็จับจ้องอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนะการการเงินการคลังต่างๆนะคงจะต้อง ติดตามดูนะครับแล้วก็การพิจารณางบประมาณปี2องพนี้ที่ดําเนินการอยู่นี่คงจะต้องติดตามกันกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็อยากจะให้เรานี่สามารถผ่านวิกฤตนะเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็การนะที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามานี่ก็ต้องมีมาตรการนะครับที่เข้ามาป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิดด้วยนะครับแต่ว่าการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องทำละครับเพราะไม่ใช่นนั้นในเศรษฐกิจก็จะ เดินไม่ได้ก็จะมีปัญหาเกี่ยกับเรื่องของคนตกงานของอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับนี่ซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องรอรัฐมนตรีคลังคนใหม่เข้ามาแก้ปัญหากันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดิ์กุลทานันต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ จัน